เป็นประโยคาไวจอ์ทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็อย่าขอนำพรหมิหารสี่ในพระธรรมฐานสี่สิบมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับพรหมิหารสีน่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงสอนไว้เพื่อแก่รมโทสะละพยาบาทเพราะว่า อารมณ์โทสะและพยาบาทนี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่องค์สมเด็จพระนสีเรียกว่าไฟประการหนึ่งด้วยรากโทสะคี้ไฟก็โทสะเป็นไม่เหตุสร้างความเราร้อน <c oughs> แปลการบั่นทอนความสุขความเจริญของตนว่าคนใดถ้ามีโทสะความโกรธมีเกิดขึ้น ความทุกข์มันก็เกิดทุกตรงไหนก็คือทุกตรงที่เรียกว่าปรารถนาคิดจะหักล้างทำลายเขาเอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไรความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิดความไม่สบายกายก็คิดเมื่อเราคิดจะหักล้างเขาก็ใช้สมองคิดวางแผนตอนวางแผนนี่ต้องใช้อารมณ์มากดีไม่ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ อาอะไรดีกันไม่ได้เลย <c oughs> เมื่อมันกินไม่ได้หรือ ว, ว่านอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับผมก็เลยกินไม่ได้ความไม่สบายกายมันก็เกิดไม่เกิดเพราะใสะ่ความไม่สบายใจเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ถ้ารมอย่างนี้ไม่สามารถจะยับจําได้ไปทําอันตรายบุคุณอื่นเข้า รู้ว่าไปทำสิ่งที่ไม่พอใจเกิดแก่บุคคลอื่นเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูราวนี้ก็มีทุกข์หนักจะนั่งก็ไม่สบายจะนอนก็ไม่สบายจะหลับก็ไม่สบายจะตื่นก็ไม่สบายจะไปไหนก็ไม่เป็นสุขเพราะเกรงว่าบคุคคลที่เป็นภยัยที่ที่เราไปสร้างศัตรูไว้เขาจะทำอันตรายกับเราเป็นอนว่าเราหาความสุขอะไรไม่ได้ นี่ะบรรดาท่านพุทธศา ส, สนิกชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความย่ำบาดเป็นเครื่องบัญทอนความดีนี่เปรีการหนึ่งคนที่มีความโกรธความย่ำบาดต้อนี้แก่เร็วเพราะว่าความโกรธความย่ำบาดมีความเล่าร้อนเผาผัานผานจิตใจทําร่างกายสุดโทมโ้มเบื้องความคิด อารมณ์พุ่งสั้นพุ่งพล่งคิดอยากจะทำร้ายคนอื่นทำให้ร่างกายโทรมนอย่างหนึง่งเฮ้ยบริการหนึ่งโทมทั่าว่าโรคภัยไข้เจ็บก็ามาเบียดเบียนเพรคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบียดเบียนนีอย่างหนึง่งในบริการหนึ่งก็โทมเพราะถูกคนอื่นทำร้ายร่างกาย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 ถูกเขาจับไปคขังไว้เพราะสายที่เราสร้างศัตรูไว้มากเราก็ไม่มีความสุขหรือว่ามาทํำลายเขาได้แล้วหนีหลบภัยจากการติดตามของพวกพ้องญาติพี่น้องของเขาก็ดีหนีจากเงื้อมือของกฎหมายก็ดีเราก็ไม่มีความสุขรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นความสุข <c oughs> เมืเ่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่ไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีคือพระพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบรารมีมาก็ต้องการจะทรงเคาะให้คนสัตว์โลกและคนโลกทั้งหมดมีความสุขแต่ถ้าว่าการสงเคาะของพระองค์นี้จะมีใครรับการทรงเคาะ์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไปทรงบังคับ ทรงตัดไว้เสมอว่าอาคาตาโรตถาตาแ ต, ต, ต่ว่าตถาคตนะคือพระองค์ได้แต่เพียงพู้บอกเท่านั้นถพรว่าได้แตบอกบอกแล้วจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ตามใจไม่มีกา ร, ารบังคับเพราะพระพุทธศาสนาไม่แับแคบมีใจกว้างห่อให้ทําตามก็ตามใจไม่ทําตามก็ตามใจ ไม่เคยขัดคอใครนีความจริงมันยกย่องพระศาสาศนานี้ว่าดีกว่ า, าศาสนาอื่นแล้ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นาศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจกว้างขวางเช่นเดียวกันนี่ต่อมามองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันเห็นว่าความโกรธความย่ำบาตรเป็นการริษรอยความดีเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุข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 วันพรุ่ง น, นี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องเป็นห่วงถือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสำคัญดีไหมที่แนะนำพวกท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักปราชญ์หลายเห็นว่าผิดไหมเนี่ยเป็นกันคัดัน้นพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรหรือเปล่าความจริงถ้าจะบอกว่าค้านก็ยอมรับ แต่ว่าเนื้อแท้ของจิตไม่ได้คิดว่าจะพันเห็นว่าคนทุกคนสที่เกิดมานี่มีแต่ปัจจุบันอนดีตอนาคตในอารมณ์ของจิตไม่มีการเวลามันมีแต่อารมณ์ของจิตเราไม่มีอัดีตอารมณ์ของจิตเราไม่มีอนาคตเราลงช่วยกันไม่ได้ใช่ ว่าความรู้สึกท่านมีที่จะมีความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอนดีตแล้วนะมันเป็นปัจจุบันและอนาคตต้นปีเราคิดอย่างนี้ปลายปีเราคิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอนดีตและอนาคตมันเป็นต้นปีแล้วเป็นปลายปีแล้วมันว่าพอสอนนี้พอสอนหน้าพอสอนที่แล้วมา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 รวมความวาความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มี <c oughs> <c oughs> เกิดขึ้นลืมตาขึ้นมาวันนี้ก่อเดี๋ยวนี้อยู่ไปเที่วันแล้วบ่ายมันก่อเดี๋ยวนี้เยน็นค่ามันก่อเดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นถ้าลืมตาขึ้นมาใหม่มันก่อเดี๋ยวนี้ การรวมความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกันมีความดีเดี๋ยวนี้ทํำยังไงในพมิหานสี่มีสี่อย่างคือว่าท่านบอกว่าไอส้สีอย่างเนี้เป็นปัจจัยของความสุข <c oughs> ถ้าใครทําได้ที่สุดแลกษาารมณ์ได้ที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขสั่งที่สุด ที่สุดตรงไหนที่สุดก็คือหมดความทุกข์ไปเลยขึ้นชีอว่าอารมณ์ของความทุกข์ไม่มีนี่จะพูดให้ฟังอันดับแรกเอากันเบาๆก่อนขนาดเบาๆเราทาความรู้สึกเสมอว่าเราจะรักคนอื่นในสัตว์อื่นเสมอได้รักตัวเรานี่แบบเบาๆไม่ใช่แบบหนักๆ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 ไม่ใช่ว่าจะสำราค์เราก็ไม่ทําอย่างนั้นจากคนอื่นเราไม่ต้องการให้มีความเราไม่ต้องการดื่มน้ําเมาให้ยาเสพติดหรือสิ่งที่ทําลายบริษาทให้เกิดความประมัดให้บริษาทมึนเมาไรสติสัมปชัญญะเราก็ไม่ยุให้ชาบ้านทําแบบนั้นใจของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทําด้วย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 เจอเราเห็นหน้าใครใครเขาก็ยิ้มขอโทษเราก็ยิ้มให้แก่คนทุกคนเห็นก็คนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าแล้วก็ใช้อปปจา ย, ยน ก, กรรมยกมือไหว้ทําความเคารพตามระเบีเรียีอาการอย่างนี้ท่านหลวงคิดว่าไม่แบ่งอาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์ พระพุทธเจ้าแตงกล่าวว่าวันโกปฏิวันทันปฏิวันทนังผู้ไหวยังไม่ได้ไหวตอบโูชาลาปฏิโูชังเราบูชาเขาเขาก็โบชาตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มให้เราแล้วไม่ถ้ามันยิ้มยากเราก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มแคะยิ้มมันเข้าไว้ในที่สุดแล้วก็ต้องยิ้ม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 จิงโดยเขาไปกอดไปรัดฟัดเปลี่ยงให้มันสมกับความดีของเขามีความรู้สึกขอาตมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าความรู้สึกของบรรดาท่านน่ะไหลไปยังไงเนี่ยแตมาไม่ทราบเราไม่รู้ที่พูดนี่ไม่เกี่ยวกับรงคนอื่นเกี่ยวกับรงของคณพูดอย่างเดียวอ น, นี้ท้าว่าเรารักเขาเขาไม่รักเรามันก็แปลกแล้่ก็มีไม่กัน คนบาบาบา่อในโลกนี้ก็าพยาหามได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้เขาสร้างความชั่วเช่นพระเทวทัตเป็นต้นแต่คนประเภทนี้มีน้อยเราจะสนใจให้มากมากเราทําความดีของเราทําสร้างเมตตาจิตที่คิดอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติในความรักด้วยช่วยเขามีความสุขคนถึงจะเลวแสนเลวยังไงต่อไปมันก็ทนไม่ไหวทนดีไม่ได้ เมื่อทนดีไม่ได้ใจเขาก็ต้องมีความรักสักวันหนึ่งแต่เราแหวงผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือสร้างความรู้สึกของใจเราให้เป็นสุขเราถือว่าเรามีความรักในบุคคลอื่นในสัตว์อื่นไม่ทำอันตรายเขาเรามีความสุขใจแต่ผลนั้นนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเองรายการที่สององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจา้าบอกการณาสงสาร รักแลาไม่พ อ, อยังสงสารด้วยหาทางช่วยเหลือต่างกำลังปัญญาต่างกำลังทรัพต่างกำลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกช่วยมีความสุขยิ่งขึ้นเขาหิวข้าวชีวอหารมาแล้วก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไงสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้น เอามาวัดทั้งใจเราก็แล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุขและไม่มได้มีความทุกข์เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเปรียดคนที่ให้เราเอาใจเราเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าไปเจอคนจังไรเข้าแล้วก็ช่างเละอย่าถือโทษโกรธเกินไปว่าเราแสดงความดีเขาเขาไม่แสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัต ก, ก่นแล้วกัน เทวทัตทมกระองค์สมเด็จพระพักกวรรมากมายแต่องสมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธทรงมีพระมหาคุณนาที่คุณบอกว่าเรารักเทวทัตเท่ากับ ร, รักราหุ่ลูกชายของเรานี่เราเป็นสาวว่าเขาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องทําอย่างนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิ้มเขาว่าเรายิ้มเขาแ ก, แกล้งเรายิ้ม คนที่สุดคนที่ทําเราเขาก็จะมีผลเช่นเดียวกับเทวทัตคือมีความเล่าร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความเล่าร้อนในนรกแต่ว่าเราจะจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจก็เราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในพรมิหารสี่คือกรณุณาและเมตตานี่เป็นประการที่สองกรณุณาและเมตตาเป็นบาดใจของการถูกมิตร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 ในข้อหนึ่งที่องสมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าเกื้อกูลบรรดาสัตว์หมายถึงคนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะเป็นทําได้ไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเดะเห็นเขาป่วยไข้ไม่สบายมาเอาไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ ถ้ามีอะไรพยาเกื้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังให้ได้บ้างเราก็ให้ตามกำลังที่เราจะเพิ่งให้ไม่ใช่บีบคั้นลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทำอย่างนี้เ็าบางอย่างจะเป็นยังไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาในกา ร, รีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวา ว, ว่าจงมีจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่ฉาดิสียาบุคนอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขา ส่งเสริมความดีที่เราพรอยินดีด้วยแต่วย่งไปส่งเสริมเฉยๆส่งเสริมเฉยๆมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกำไรเราต้องเป็นคนหากำไรกำไรที่เราจะพึงได้มันจะมาจากไหนว่าเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนที่มีความอหนาวฝาข้างในทรัพย์สินเขาทำยังไงเกียรติยศเกีรติศักดิ์เขาจึงเจริญ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 ศักดิ์ศรีที่เขาพ้นได้มาเนั่ยเขาได้มาด้วยการอย่างไรมีนิฉัยที่ท่องแทนแล้วก็จะปล่อยวินิจฉัยเฉยๆยาใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ย่องเอาความดีที่เขาก็ทํามาแล้วมา ท, ทําซิด้วยมันจะจะได้ช่วยให้เรามีมความดียิ่งยิ่งขึ้นและ ส, สม่ําเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่าง แต่ขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอศิลขอแนววิธีการปฏิบัติปฏิบัติธรที่เขาทําอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่คนนี้ก็มีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครเขาังเกียดว่าเราจะไปเยอะแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วนี่ไม่มีใครเ้าว่า มีแต่คนเขาชอบใจเราเขาดีเราดีโลกก็มีความสุขนี่ว่ากันแบบธรรมดาธรรมดาข้อที่สี่องค์สมเด็จตัสมมาสัมพุทธเจ้ากล่ว่าให้มีโอเบขาถ้ากฎคุงกรรมใดมันเกิดขึ้นถ้าพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายตัวเราจะตายไฟมันไหม้บานหรืออะไรก็ตาม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 นี่ในหนึ่งโลกก็ทำแปรใจกันถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาบเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไวเพราะมีความรู้สึกว่าลาบมันจะต้องหมดไปมันลาบหมดไปก็อย่าเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเขาให้ยศถามันดาสัก์ก็ทำความรู้สึกว่ายศถามันดาสักมีใครเขาก็หากันได้ ที่ได้มันแล้วหมดยศไปทุ่มเถไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมื่อยศ์เขาสูญเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาเข้ามาสั่นเสือนยอนยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสั่นเสือนก็ยังไงแล้วเราไม่ได้ดีตามนั้นเราเป็นคนเลวเขาสันเสือมาเป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วย ถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วแล้วก็ไม่ชั่วด้วยคํานินทาเราสันเสินเมื่อเกิดขึ้นเราก็เฉยแต่ไม่แสดงการปฏิเสธในคําสันเสินเขาเสินแล้วก็ยิมรรษษย้มคําว่านินทาเสียดสีเราแล้วก็ยิม้มซะอีกมันก็หมดเรื่องกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราสันเสินคนถ้าสันเสินเร า, าเรายิ้มให้เขาเขาก็ปื้มใจนี่คนที่เขามั่นดาว่านินทาเราเรายิม้ม เขาก็ช้ำใจเหมือนกันช้ำใจเพราะอะไรเพราะคํานินทาด่าว่ามันไม่มีผลนันนกเข้านักเข้าเขาเขาี้เกียจ ด, ดา่าขี้เกียจวาทนไม่ไหวเขาว่ า, นนว เ, าเลิกดา่าเลิกว่าไปเองเป็นอันว่าเขาก็แพ้ไปความจริงเสียงนี้ไม่ได้ทำเพื่อความแพ้เพื่อความชนะเราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาท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 ขันห้าของใครที่เราวางเฉยแล้วก็วางเฉยในขันห้าของเราด้วยวางเฉยในขันห้าของคนอื่นด้วยที่ลอกจากตัวเราวางเฉยในขันห้าของสัตว์ด้วยแล้วก็วางเฉยในทุกเสียงทุกอย่างในโลกเสยด้วยเฉยที่ไหนเฉยที่ใจใจเฉยร่างกายมันจะแก่ก็เชิญแก่เรารู้แล้วว่ามันจะแก่ที่ว่าร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยก็รู้แล้วว่ามันจะป่วย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 ที่เราเห็นวัตถุสวยคนสวยมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังมันสุดส้มเราก็เฉยความโลกอยากจะเป็นเสรมหเสีรยังมัหาเรเสรษหียรมั่งมีทรัพย์เหลือขนานับเราก็เฉยมโลภาะเสถีกทําไมจริงเฉยเพราะไอความร่ํารวยทั้งหลายแหล่เหล่านี้ไม่ได้เป็นปันจจัยของความสุขจริงจรงมันเป็นความทุกตัวอย่างนี้เยอะตายแล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็เฉยเฉยในความรวย ถ้าใครเขานินทาว่าไลค์ทาให้เขาสะดวงสะเทือนใจเดิมหน่ายของความโกรธเราโก็เฉยมาซะอีกไปที่เขาด่าเขาว่าเขาด่าขันห้าเขาไม่ได้ด่าเราคือจิตไปความหลงไหลใฝ่ายฝันในอามิตคือรูปโฉมน้มพันเราก็เฉยมันคิดว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอใส่ไม่โชคราวพังแล้วกมแล้วกันไป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 ทุสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เราจะติดใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้อารมณ์ขอมันดาท่านพระสาวกโคองสมเด็จพระผู้มีพระพ่าเจ้าที่กำลังรับฟังก็ชื่อว่าเป็นอารมณ์ข้อระหันเป็นอันว่าเราจะเริญนพร ม, มิหารสี่เพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทำจิตใจให้เราเข้าสุกนิพพานได้ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้ว ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้รับกรับฟังสวัสดี